ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหาวิทยาลัยศรีปฐุมกาลังนำเสนอสมาธิทิฐิสูตรสติปัฏฐานสูตรสืบเนื่องกันมาจนถึงอริยสัจ ท, ทั้งสีประการ ตอนนี้ก็กำลังพูดเรื่องมัก ษ, ษ, ษัตริย์จึงเป็นข้อสุดท้ายแต่ว่าเป็นตัวเหตุหลักเพราะว่าป ร, ร, รมเทศนาที่ส่งแสดงเนี่ยจะเน้นไปในเรื่อ ง, เ, อ เ, รองเรื่องมัก ษ, ษ, ษัตริย์ในมากหมายความมาธรรมะที่เป็นส่วนเหตุที่บุคคลประพฤติปฏิบัติไปแล้วก็จะทำหน้าที่ลดกิเลส แล้วก็ลดความทุกข์เพิ่มความสุขให้ถ้าเราเทียบเคียงสัดส่วนของพระธรรมเทศนาที่ส่งแสดงรเราเห็นว่าอิยสัตสีเนี่ยมักกษสัตร์ประมาณสักแปดสิบเอร์เซแล้วก็รามาก็เป็นสมุทัยสัตว์แล้วก็ทุกขสัตว์ส่วน มโรธสั์แสดงไม่มากเพราะว่าเป็นภาษาใจที่ยากต่อการจะอธิบายเป็นสบัพปทรงทางใจที่ผู้ประพฤติปฏิบัติไปตามลำดับของศีลสมาธิปัญญาหรือตำหลักของเรีย ม, มักมืองแปดประการพอถึงจุดหนึ่งอย่างน้อยที่สุดเนี่ยศีล ส, สมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณ มันก็บรรลุมักผลเป็นพระยาบุคคลระดับโสดาบันเพราะธรรมส่วนเหตุเหล่าเนี้ยมันเป็นอเนกกระริยาคือในยะมันเยอะแต่ว่ามีจุดบรรจบกันคือจะก่อให้เกิดเป็นญาณคือความรู้ความเห็นในทางที่ชอบขึ้นแล้วก็จิตก็จะหลุดพ้นจากอํานาจของกิเลสซึ่งก็มีชื่อต่างๆในที่นี้ก็ทรงใช้ คาว่าตัณหาเป็นตัวแทนของกิเลสทั้งปวงอริยมรรคนั้นเป็นการเริ่มต้นในลักษณะวงกลมโดยตามปกติแล้วในแนวไตรสิขาเราเขียนว่าเริ่มคล้ายๆบันไดแต่ว่าอาริยมรรคเป็นการเริ่มแบบวงกลมทำนองกับเราขีดเส้นวงกลมเนี่ย แต่การจะเป็นวงกลมได้ก็เมื่อเส้นเริ่มต้นกับเส้นตอนปลายนี่มาบรรจบกันลักษณะของอริมักดวงแปดประการก็มีเช่นนั้นคือเริ่มต้นที่ปัญญาเห็นชอบก่อนแล้วก็ส่งเน้นในที่นี้คือเน้นที่อริยสัจสี่แต่ว่าเป็นความเห็นชอบด้วยญาณ หมายความว่าเมื่อท่านปฏิบัติพัฒนาจิตผ่านศีลผ่านสมาธิไปถึงยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาเนะี่ยจิตของท่านเขาเรียกว่าตรรมระยะคือใช้งานได้จิตตั้งมันเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนโยนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้แล้วความรู้ก็เกิดผุดขึ้น ความรู้ตอนนี้ในสายของอริยมรรคท่นเรียกว่าสมายานะซึ่งเป็นตัวมรรคจริงๆแต่จากนั้นจิตก็จะหลุดพ้นก็กลายเป็นนิโรธหรือนิพานในที่นี้ก็ทรงชายกรรมนิโรธการรู้ในเริยสัตว์เราก็พูดมาทั้งหมดแล้วนะเราจะเห็นว่าเป็นปรยายธรรมะที่ทรงจำแนกแสดงให้รายละเอียดมากกว่าในที่อื่น ผลทุกแต่ละข้อเนี่ยส่งอธิบายหมดเกิดคืออะไรแกร่คืออะไรเจ็บคืออะไรตายคืออะไรเนี่ยก็จะส่งอธิบายให้รายละเอียดเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองจากเรื่องตรงนี้คื อ, อยังง้อยที่สุดเนี่ยทำยังไงว่าทําใจให้ยอมรับความจริงซึ่งยังไงเราก็ไม่สามารถติเลี้ยงได้ อย่างเหตุการณ์ตอนใกล้ๆวันที่26พฤษภา ค, คมในครบรอบปีที่ขึ้นสึนามิเกิดขึ้นแถบอันดามันปนัญหาที่ข้างกาใจคนยังมีอีกเยอะมากมีลักษณะซึมเศร้างอยเหง า, งามื่อลอยวิตกกังวลเครียดไปด้วยประการต่างๆซึ่งธรรมดาของโลกแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละ แต่ถ้าเราฝึกปลือจิตใจมาโดยลำดับนึงฝึกปลือมาเรื่อยๆแล้วก็พยายามเข้าถึงกติธรรมดาที่ทรงสอนไว้ในพินหะปัจเจเวกคณนะ4ประการเม่เราเกิดมาแล้วก็ต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายและการพลัดพลากสูญเสียอันนี้คือคนที่เรารักตายมันก็เป็นสภาวะทุกข์ เราเองก็รู้สึกว่าพลัดพลากสูญเสียแต่ถ้าเราตายคนที่รักเราก็รู้สึกเขพกพาพลัดพลากสูญเสียแต่เอาความจริงแล้วทั้งหมดเนี่ยเราก็กำกับควบคุมอะไรไม่ได้พระมันเป็นกฎธรรมชาติต้องพยายามทำใจือทำใจตัวเองอยู่ให้ได้ เพราะดีดคือดีดมันผ่านแล้วผ่านเลยไม่มีโอกาสที่จะกลับมาอีกอย่างพูดไว้ในวันก่อนว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นพื้นไม่มีหนีไม่พ้นเนี่ยคือการเวลามันผ่านไปเลยผ่านแล้วผ่านเลยแล้วก็พื้นไม่มีเนี่ยคนตายไม่มีทางพื้นเราร้องให้เสียใจยังไงก็ไม่พื้นแล้วเราก็หนีตรงนี้ไม่พ้น หนีความตายไม่พ้นหนีกฎธรรมชาติไม่พ้นหนีบุญบาปไม่พ้นหนีกฎของใจรักษไม่พ้นเราจะเกิดเราเราจะตายก่อนหรือว่าคนอื่นจะตายก่อนเท่านั้นเองแต่ว่าเป็นเรื่องแน่นอนของชีวิตแต่เรื่องนี้ต้องต้อ ง, ต, องต้องฝึกจิตเยอะต้องพยายามคิดพยายามนึกเรื่อยๆอ่านข่าวคราวต่ า, างๆเน้นน้อมเข้ามาตัวเยี่ยมใจไ้บ้าง ลักษณะการเตรียมตัวเนี่ยที่จริงเป็นเหตุการณ์ที่นานมาแล้วก็คือมีครูใหญ่เข้าไปเบิกเงินเดือนที่อำเภอทุ่งสง์จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็พวกเงินเดือนของครูจํานวนมากหลายคนเนะี่ยแล้วก็เดินทางคนเดียวตอนหนึ่งก็มารถนั่นแหละแต่ว่าตอนหนึ่งต้องเดินทาง ผ่านป่าต่างๆแกก็คิดนะััวโจรปล้นเออถ้าปล้นจะทำอย่างไรจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรเพื่อรักษาเงินของครูมาอาจารย์เหล่านี้ให้ได้พอปล่อเขาปล้นไปแกก็ไม่มีกำลังความสามารถที่จะไปชดใช้คืนในการคิดเตรียมตัวจะถต้องมีการวางแผนไว้เนี่ย พอไปชิญหน้ากับโจรเนี่ยมันรู้สึกว่ามันต้องเกิดนะเพราะนั่นแกก็ทําตามที่คิดเลยก็ปล่อยให้โจรหยิบเอาตามสบายต้องการอะไรก็เอาต้องการในกาก็ให้ในก้าต้องการปากกาก็ให้ปากกาต้องการสตางค์ก็ให้สตางค์ก็ให้หมดแล้วก็เสร็จแล้วบอกว่าเนี่ยน้องเอาไปหมดเติมเงินเหล่านี้ไม่ใช่ของพี่นะเป็นเงินเดือนของครูที่โรงเรียนทั้งหมด พี่จะไปบอกว่าถูกโจมพรุ่นนี่ไม่มีใครเชื่อเพราะันยังไงก็เสียไปแล้วก็ขอให้น้องช่วยยิงพี่ให้ตายเถอะเปิดแต่จบสิ้นกันโจมใจอ่อนอะ่ะมันได้หมดแล้วใจมันอ่อนก็ไม่ยอมยิงแกก็บอกว่าถ้าไม่ยิงตัวก็ขอใยิงให้เสื้อมันขาดอะไรแต่ไรนคือเป็นรอยกระสุนให้เห็นผลท้าย ก็พูดเพลินนะ่แกถามว่าน้องมีกระสุนกี่นัดยิงเลยโจนก็เคริมนะยิงหมดเลยกดหมดลูกโม่แหละก็ปรากฏว่าก็มีสองสามนั้นแกนับดูว่าลูกกระสุนหมดแกก็ดึงปืนข้างหลังออกมาแล้วก็ขู่โจนด้วยปืนตัวเองก็จับได้หมดนะอันนี้ก็คือคือเรื่องการเตรียมพร้อม เตรียมพร้อมไม่ได้หมายความว่าเตรียมเผชิญหน้ากับความตายการพลาดพลาดอย่างเดียวคือเตรียมพร้อมทั้งหมดแหละเป็นลักษณะของการตื่นตัวคืออยู่ยังมีสติที่ตรงสอนเรื่องสติมาคืออยู่ยังมีสติทีนี้ในส่วนของสมุทยัทยสัตว์อาอย่างที่พูดไว้แล้วว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่ามันเกิดมันตั้งอยู่ที่อายตนาภายในภาย น, นอกวิ ญ, ญญาณสัมผัส เวทนาสัญญาสัญเจตนาตัณหาวิตกวิจารเข้ามาเป็นแถวคือสิบสิบจุดด้วยกันเกิดพราะทำยังไงว่าสามารถบันเทากระแสของตัณหาเสได้ยานิสงสงแสดงไว้ในสภาสังวรสูตรในมันชฌิมานิกายนี่เหมือนกันแต่ก็อยู่ในประสูรที่สองในเล่นเดียวกันคือทรงสอนไว้หลายวิธี หรือวิธีละอาสวะวิธีแรกก็คือละโดยการเห็นการสัมผัสกับอารมณ์เนี่ยปัญหาสำคัญว่าเราคิดยังไงจะคิดยังไงก็ตามที่กิเลสซึ่งยังไม่เกิดจะไม่เกิดขึ้นที่เกิดแล้วจะเสื่อมสลายไปในร้อยคิดอย่างนั้นก็เรียกว่าโยนโสปนัสสิกาแต่บางอย่างเนี่ยมันต้องใช้การพิจารณา นการบริโกคแค่สอนปัจจัยสีเนี่ยต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์จริงๆในการบริโภคปัจจัยสีแล้วก็พาถึงจุดหนึ่งแต่เรื่องอารมณ์ที่กระแทกกระทันจากข้างนอกเนี่ยเราก็ต้องอทนเอาแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยไอความชิด่มันเป็นตัวสร้างกิเลสขึ้นมานก็พยายามบันเท่า แล้วก็เว้นสถานที่เว้นบุคคลเว้นสัตว์เว้นสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องเขาแล้วเนี่ยปัญหามันจะติดตามมาแล้วก็ส่งสอนไปจนถึงเจริญโพชงเจ็ดประการก็โพชงเจ็ดประการที่จริงก็คือจิตสิกขากับปัญญาสิกขาในอริยมรรคเด่นก่อนสรุปแล้วก็คือสมาวยามรรคสมาสติสมาสมาธิสมาธิถิสมาสังกัปปะก็กลายเป็นโพชง ถ้าเราสังเกตเราจะอยู่ในแวดวงตรงนี้ก็พูดไปพูดมาก็อยู่ในแวดวงตรงนี้ภาษาอาจจะต่างกันแต่ว่าเนื้อหาของธรร ม, มานี่จะลงกันกับอริยามารรคทั้งหมดในความเป็นอริยามารรคั้นจะเห็นในชัดว่าตอนสมาธิเนี่ยมันมีลักษณะของปัญญาเหตุผลที่มากพอต่อการมองสิ่งทั้งหลายในแง่ของความเป็นจริง ในส่วนสภาวะธรรมทั้งหลายที่เกิดแก่เจ็บตายในการประกาศสูญเสียก็เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับความจริงแตใ่ในขณะเดียวกันเราก็กํากับควบคุมได้ระดับหนึ่งมันไม่ใช่ปล่อยไปตามลําพังหรอปล่อยไปตามอำเภอใจอยากจะแก่ก็แก่อยากจะเจ็บก็เจ็บอยากจะตายก็ตายอยากจะพลาดพราดก็พลาดพราดมันไม่ถึงขนาดนั้นก็มีการบริหารร่างกายมีการบํารุงร่างกายมีการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่ร่างกาย มีการพยายามรักษาสุขภาพพลานามัยบางเรื่องก็กลายเป็นภูมิรัฐทานโรครเชื้อโรคบางกอาจจะมีนะฮะแต่ว่าภูมิรัฐทานกนระซาเอาไว้ทีนี้ในส่วนของของนิโรธคือรู้นิโรธเนี่ยนิโรธก็อย่างที่ไปกล่าวไว้ในวันก่อนว่าเมื่อเขาจะดับก็ดับทีนี้ คือดับในที่ที่สมุทัยเขาเกิดเมื่อจะละ ก, ก็าละที่เนี้เมื่อจะดับก็ดับที่เนี้ก็แสดงว่าสิบจุดเหมือนกันปนัญหาสําคัญว่าเราสัมผัสเต็มยศเหมือนพงยากหน่อยแต่ว่าทํายังไงจะดับกิเลสเถืบ้างลดความรุนแรงของกิเลสเถืบ้างมันเห็นว่าแนวของของที่สภาสภวสูตรอย่างที่ว่าเนี่ยจริงๆมันก็ช่วยดับกิเลส ระดับกิเลสมันก็สัมผัสความสุขความสงบความเยือกเย็นในระดับก็าตามกําลังแห่งธรรมะที่บังเกิดขึ้นเปิณมากบางก็มีมีลักษณะอย่างนั้นว่าตัวสมาธิฏฐิเนี่ยก็คือปัญญาที่เห็นชอบตามความเป็นจริงเรื่องบางเรื่องเรายากจะอย่างรู้ได้ว่าแต่ความจริงที่แท้จริงน่ยมันคืออะไร สติปัญญาเราไม่มีความลึกซึ้งมากพอที่จะไปยังรู้เรื่องขนาดนั้นบา้คก็เทียงว่าเข้าใจว่าไอ้นี้เป็นเป็นผลของอะไรนี่เป็นเหตุได้เกิดอะไรแล้วก็เว้นเหตุที่จะให้เกิดปัญหาประพฤติปฏิบัติในเหตุที่จะให้เกิดการพัฒนาสร้างสารรค์ในด้านต่างๆซึ่งซึ่งตรงนี้เราจะเห็นอย่างหนึ่ง ยางในกรณีที่เราประสบภัยธรรมชาติเยอะมากก็ตั้งแต่ปีสี่เจ็ดตอนปลายปีมาก็สึนามิแล้วก็มีภัยอยู่เรื่อยเลยเรื่องสาธารณาภัยก็เป็นเรื่องของดินน้ำลมไยอากาศก็สรุปว่าเราเจอภัยจากธาตุที่มีอยู่โดยปกตินั่นเองแต่พัก็เกิดวิปริต คือถ้าเรามองในแนวของพระพุทธศาสนาพระุทธจ้าทรงแสดงว่าเยอะหลายแห่งในประสูทธคือความไม่ปรีแปรปรวนที่ปรากฏแก่ธรรมชาติจนกระทบมนุษย์คือกระทบสังคมเนี่ยมันไม่ใช่มาจากธรรมชาติแต่ว่าการประพฤติปฏิบัติที่ทุจริตต่างๆความเลวร้ายต่างๆปัญหาอาชากรรมต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นในส่วนต่างๆของโล ก, ก น, นะครับมันก็เป็นเหตุให้อากาศมันวิปริตแปรปรวนแล้วก็เป็นโทษแก่มนุษย์เองแ ล, เกเกลแล้วเราสังเกตวรรัตน์เหล่านี้มันก็โลภโกรธหลงก็ไม่มีอืนะ่นนอกจากโลภโกรธการตัดไม้ทําลายป่าต่างๆในส่วนต่างๆจนเกิดโลกร้อนอะไรต่างๆเนี่ยที่จริงมันเกิดจากโลภหลงของมนุษย์ คี่คนเราคิดคล้ายๆตัวเองจะอยู่คำฟ้ามาใสโลกชั่วคราหมาแฮทำตัวเป็นเจ้าข้าเจ้าของกอบโกยตักตวงเอาสารพัดคือถ้าเราไม่บรรเทาความโลภแล้วไปใช้กระแสของสังคมบริโภคนิยมออกมาพยายามตักตวงกอบโกยสารพัดอย่างจนกรอบของคำว่าร่ำรวยนี่ไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วเป็นแสนล้านก็ยังไม่หยุด เป็นอีกหลายแสนล้านเนะ่ยอย่างบินเกตในกี่แสนล้านแล้วเนะี่ยก็ยังไม่หยุดอ่ะ แ, แต่อย่าลืมว่าการพัฒนาเนี่ยมันเกิดจากการทำลายทีนี้พัฒนาบางอย่างเนี่ยคำว่าพัฒนาบางทีในภาษาบาลีเนี่ยเขาเรียกว่าทาให้รกที่พุะเจ้าทงสอนว่านัศยาโลกวัฒโนอย่าทำโลกให้มันรก แต่แเรื่นี้เราจะเห็นว่าการบริโภคทรัพย์สมบัติในจริงก็บริโภคธรรมชาติมันใช้ความโลภนําได้ใช้การแข่งขันใช้การปนเปื้อแล้วก็โกยตักตวงเงินสารพัดแล้วก็เสร็จแล้วก็พวกติโกงด้วยกันมากล่าวหากันพวกติโกนมากกว่าก็ถูกพวกโกงรายน้อยก็ริษยาคือประโยชน์ ประโยคที่ดรสุเมธพูดแถวเดือนรายพฤศจิกาหรือตุลาพูดว่าโกงกันทั้งบ้านทั้งเมืองคงยอย่าให้ทุกคนนะครับแต่ว่ามันมันค่อนข้างมากการริษนาทาเร้นการรับอกอเอาเปรียบการสวยงาผลประโยชน์ในทางที่ไม่ชอบเนี่ยแล้วบาทีมันตะลิดเปิดเปิงเข้าไปในวัดเนี่ยว่ามันยุ่งไปหมด อันนี้คือปัญหาที่สังคมต้องคิดแต่เราต้องการดับปัญหามันต้องไปลดที่ตัณหาถ้าตัณหาไม่ลดแหละปัญหามันเพิ่มนะครัเราลองสังเกตว่าลักษณะตัณหาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการใช้หารมณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตนแล้วก็มีความคิดในทางพระเดชการคือต้องได้ต้องเป็น ใครขัดขวางกันได้กันเป็นของตัวเองก็ต้องมีการเข็นฆ่าทำลายล้างกันแล้วก็เป็นปกติวิสัยไปเลยพูดเมื่อไรมันก็ถูกเหมืนัันในขณะดเดียวกันเนี่ยพออะไรไม่ชอบก็จัดการผงผางไปเลยเข็นฆ่าทำลายล้างกันไปจุดบางครั้งบางคราวก็ใช้ระเบิดหมาประไไปทำลายล้างอีกฝ่ายหนึ่ง มันรุนแรงแล้วก็มนุษย์ก็คือลองสังเกตความคิดของนักวิชาการเนี่ยพยายามอ่านบทความอะไรของนักวิชาการคือท่านสาวไปแค่อาการไม่ได้สาวไปถึงพื้นฐานจริงๆว่ามันมาจากอะไรเพราะความคิดในอริยสัจของเราที่จริงเรารู้อริยสัจแต่เราเราไม่ได้มอง เพราะนั้นผจัดการเขาพูดเนี่ยเขาจะพูดไปในระดับของอาการอาการของปัญหาอาการก็ตัณหาเนี่ยอาการกังกิเลสแล้วก็มุ่งไปแก้อาการแทนที่จะมุ่งไปแก้ที่ตัวสมุทฐานอย่างยกตัวอย่างเนี่ยอย่างยกตัวอย่างที่เขารณรงค์เรื่องเล่าเรื่องบุตรีเรื่องอะไรต่างๆางกันแต่ก็มีการออกกฎหมายห้ามไปวางในที่บางแห่งเป็นการกระตุน้นเร่งเร้า เชิญชวนชักชวนอะไรแต่ไรคือเราไม่คิดความจริงว่าพวกนี้มันเกิดจากโลภะโมคะมนุษย์เราถ้าลองติดแล้วก็ไม่จำเป็นหรอกคือแกเห็นไม่เห็นแกหามาจนได้หละพอเราเทียบเพียงสิ่งเสพติดทั้งหลายว่าบุหรีก็ดีสุราก็ดียาบ้าก็ดียาอะไรสารพัดที่เ็าเรียกกันในปัจจุบันเนี่ยพวกนั้นไม่ได้โฆษณาขายที่ไหนทำไมคุณเสพกันเยอะแยะไปหมดเลย แต่ทำไมเราจรึงไปซ่อนเร้นเฉพาะล่ากับบุรีทำไมเราไม่ฝึกคนให้เห็นโทษของเลา่าของบุรีของสิ่งเสพติดทั้งหลายละ่ะทำไมเราไม่ใช่ในหลักสูตรการเรียนการสอนละ่ะแล้วก็ทำไมเราไม่มีต้นต้นแบบตัวอย่างของคนให้เด็กไเห็นอะไรกิจกรรมต่างๆที่ปรากฏทางสื่อเนี่ยคนใหญ่คนโตเนี่ยเาสูบ กรุงุรีเขดื่มเหล้าให้เด็กเห็นไป บ, บ้านคนใหญ่คนโตก็มีเหล้าต่างประเทศโชว์กันอวดกันแสดงสถานะพอเด็กแกเติบโตมาเนี่ยมันแกก็ซึมซับพอซึมซับแล้วเนี่ยมันเหยียเห็นหรือไม่เห็นก็ไม่รู้แหละแกก็หามาดื่มจะได้แหละธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าอะไรก็ตามที่ไปห้ามเนี่ยเหมือนกันอยู่ จิงห้ามเหมืนยิงยุกเช่นสมมติว่าเพลงบางเพลงในถูกเซ็นเซอร์ห้ามเผยแพร่อันนี้แหละจะขายได้ดายได้ดีภาโยนต์บางเรื่องที่ว่าถูกเซนเซอร์ห้ามฉายอันนี้ลงใต้ดินเลยทีนี้เราจะไม่รู้ยอดเลยคือแทนที่เราจะให้เหตุผลให้สติปัญญาติดอาวุธคือปัญญาให้แก่มนุษย์ได้มีความเห็นชอบเนี่ยไอ้คิดชอบ คนนี้ถ้าเราถ้าเราเห็นชอบเราคิดชอบมันก็จบแล้วอ้อยวางเต็มบ้านเต็มเมืองคนก็ไม่เสพไม่สูบไม่ดื่มแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเมื่อการบริโภคมันลดเนี่ยการผลิตก็ต้องลดคก็ต้องเตรียมหารูปทางเพื่อประกอบอาชีพเพราะฉะนั้นหลักการสาคัญเนี่ยเราต้องนึกว่าไอ้เนื้อหาวิชาที่เราเรียนในโรงเรียนเนี่ยมีเยอะว่าเรียนไปทําอะไรอ่ะ ให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาแต่ว่าเราเอาหนังสือเรื่องต่างชาติเรื่องอะไรมันไกลชีวิตมนุษย์อ่ะแล้วก็มาเรียนกันกเรื่องนี้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหม่ะลรเมื่อปศสองพันห้าร้อยหนึ่งท่านครงอภัยวงมาปาตกถาที่วัดบวน น่าประสบจนเด็จประสังกราชเจ้าแล้วก็ท่านพูดท่านบอกว่าท่านเองนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาฯก็เคยเป็นมาแล้วคมนาคมก็เคยเป็นนายกก็เคยเป็นแต่ว่าที่ท่านเป็นไม่ได้คือครูแล้วท่านก็ตอบเองนะท่านบอกเองว่าผมไม่เป็นคนทะลึงตึงตังเดียวสอนลูกก็เป็นลิงเป็นข้างไปหมดแล้วท่านก็พูดถึงถึงเนื้อหาหลักสูตรท่านบอก ท่นยกตัวอย่างสองเรื่องนะยถามถามเด็กว่ า, านักเรียนไอ้กรุงโรมเนี่ยเป็นเมืองหลวงของประเทศอะไรเด็กยกมือพรึบตอบได้พร้อมเลยของอิตาลีท่านก็ถามว่าที่ปากน้ำมันมีจะดีอะไรที่ปากน้ำสมุทรประการเนี่ยมันมีจะดีอะไรมันมีท่านใช้คำว่ามีปูชนียวัตถุอะไร อยู่เด็กตอบไม่ได้ไม่รื่องไกลเกินไปแล้ว ร, รู้จักกรุรวมๆมันได้อะไรขึ้นเพราะถ้าเรามองแนวการศึกษาของพระพุทธเจ้าเรารู้จกักศีลของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันใกล้ตัวหมดยกตัวอย่างศีลห้าเนี่ยเห็นว่าใกล้ตัวทั้งหลายชีวิตเราก็มีชีวิตเราก็มีทรพัพเราก็มีคู่ครองเราก็มีการสื่อสารติดต่อกับบุคคลอื่น เราก็อยู่ในแวดวงของสิ่งเสพติดให้ตทษแล้วก็ขึ้นไปเด้เยแหละไปดูสีขาวบนไรก็ตามถ้าเราเอาลองลองเอาบทเรียนเบื้องต้นที่พระเจ้าสงวางไว้สำหรับชาวบ้านชาวบ้านทั่วไปแล้ก็สัครคนระดับที่รักษาศีลโวสถรักษาศีลแปดก็จะเห็นได้ชาาัดว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวล้วขึ้นไปเรื่อยๆ หรือว่าดูตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้ดูตัวอย่างในมงคลสูตรระบบการศึกษาพัฒนามนุษย์ของพระพุทธเจ้าที่วางไว้ในมงคลสูสรเนี่โอเป็นสุดยิ่งใหญ่มากนะแต่เราพยายามก้าวเดินไปจากขนาดยี่สิบยี่สิบมงคลเนี่ยนะครับคือไม่ต้องถึงข้าที่แปดหรอกคือสิบมงคลเนี่ยมันพัฒนาปัเจจกชนะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นทายาทของแผ่นดินที่มีคุณภาพเป็นทาติของครอบครัวที่มีคุณภาพเป็นลูกประเภทอย่างบ่บอกอรอนุนชา ต, ตบุตรเรือพิชติตบุตรแต่เย่นว่าไอตัวที่ใกล้ตัวก็คืออยากคบผ่านให้ก็บัณฑิตให้บูชาผู้ควรบูชาใกล้ตัวันนะมีคนให้เลือกอยู่ในประเทศที่สมควรอาจจะเคลื่อนย้ายพื้นฐานบุญไว้ การทำบุญไหว้ในการก่อนเนี่ยอาจจะปีนี้แหละอาจอจะชาตนี้แหละได้รับการฝึกปลืออบรมมาสร้างความโน้มเอียงสร้างความอัธยาสายัยทางแนวโน้มและต่างๆแล้วก็ฝ่ายฝวันที่จะตั้งตนไวในทางที่เจฟฟ้าฝ่ขวัญฝ่ดีพูดง่ายว่ามันเกิดความคิดที่ฝ่ายดีในลักษณะของมองได้ไกลแล้วก็มองได้ลึก เป็นพัฒนาการด้านต่างๆแต่ทํายังไงจะตั้งตนไว้ในทางจิตศพบก็ทรงสอนแค่สามข้อปุสัะจันยสิปัญจักวินโยจัตสุสิกิโตสุภาติตาเจยาวาจเเอตมะมังคระมุเตมังพัฒนาตัวเองสีมม่สามข้อแต่นั้นเองอพูดง่ายๆสํานวนของพวกปฏิรูปการศากษานี่ก็คืออะไรความรู้ดีผมคิดดี และความสามารถดีแล้วความระพฤดีถ้าถามว่ามันไปสอดคล้องกับเก่งดีมีความสุขหรือดีเก่งมีความสุขหรือไม่ว่ก็ใช่ก็เรื่องเดียวกันเพราะการศึกษา จ, จะจับยังไงก็ไม่รู้แหละต้องพัฒนาตัวผู้ศึกษาให้ได้ก่อนแล้วก็ให้ผู้ศึกษาเนี่ยเข้าใจตัวเองเข้าใจสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเองปราะได้แง่ความจริงก็เรียกว่า ที่พระเจ้าส่งรับสั่งย่อยๆนะอัตตาอั ต, ตนิยาหมดแล้วหมดโลกอ่ะตนก็สิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนหรือทางการ ม, มังการแปลว่าเราแปลว่าของเราแล้วขยับไปอีกทีหนึ่งแปลว่าพวกเรากับของพวกเราก็จบแล้วหมดโลกแล้วกันเพราะในในการศึกษาเราเห็นว่า ม, มีอะไรรุงรังเยอะเลยซึ่ง ในสุดมั้นไม่บรรลุเป้าไม่บรรลุเป้าหมายเราแก้ปัญหาอยากกรมไม่ได้เราแก้ปัญหาเรื่องความรู้ไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องความคิดไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องทักษะด้านต่างๆาความสามารถต่างๆไม่ได้แล้วเราก็แก้ปัญหาเรื่องคุณธรรมเรื่องศีลธรรมเนี่ยไม่ได้แล้วเราก็ยังคิดจะไปกันนี่นะะก็คิดจะไปกัน คือไม่นึกว่าเรียนไปเรียนมาไอ้เป็นดรอกเตอร์ทำันคิดโลกจังมีอัตตาเขื่องขึ้นมีมารณะมาขึ้นแล้วก็ถ้าใครไม่ยอมรับนับถือก็จะเกิดโทสะมีความรุนแรงให้เราสังเกตว่าเรื่องนี้มันมันถ้าถ้าเรามองของพระพุทธเจ้าว่าเอาขนาดนี้คือคือข้อข้อต่อไป กราวาจะเป็นสุภาษิต ท, ที่จริงมันสื่อสารละเพราะการการระบบการพัฒนาตัวเองที่จริงมันก็มีเป้าอยู่ที่การนำตนมาชอบแล้วก็หลักการหลักก า, การก็สามอย่างคือพัฒนาสามอย่างพัฒนาความรู้ความคิดความสามารถแล้วก็คุณธรรมคุณธรรมเป็นตัวกากับตัวความรู้ความคิดความสามารถบังคับใช้ไปให้เกิดประโยชน์ ในทางบวกเอาก็จริงพ อ, พอมาถึงตรงนี้เลยเจ็นว่าสอบตกเยอะหรือว่าสอบไม่ตกก็คะแนนต่ำคะแนนไม่ผ่านทีนี้ตรงนี้ถ้าถ้าถ้าไอตัวความรู้ความคิดของเราเนี่เป็นสมาสังกัปปะแต่คิดได้คิดดีคิดเป็นคิดชอบพอถ้าคิดชอบได้เนี่ย มันก็คือก็คือเห็นชอบแต่นี้การคิดชอบให้เราลองสังเกตว่ามันเป็นความคิดที่ทวนกระแสกิเลสคิดไม่ชอบเนี่ยคิดแล้วก็เพิ่มความใครอยากได้อยากมีอยากเป็นไปเยอะเลยก็เพิ่มภูนรหาขึ้นโลภะขึ้นราคะขึ้น แล้วก็เพิ่มพูนความรุนแรงนะต่างๆขึ้นแล้วก็จะคิดอะไรไปในทางเบียดเบียนประทุษร้ายซึ่งกันและกันทําตัวเป็นเจ้าขา้าเจ้าของเป็นคล้ายๆกับเป็นเจ้าของโลกนี้ไปเลยเพราฉะนั้นมนุษย์เราสูญเสียเวลาในเรื่องตรเนี้ยไปเยอะมากๆคือถ้าเราปรบับความคิด แล้วกำกับทิศทางของของขอ ง, ของความคิดว่าหนึ่งก็คือก็เรื่องในขมัสสังกปะคือความดำริที่จะออกจากอำนาจพันธนาการของกิเลสกิเลสกามทั้งหลายคือกิเลสประเภทยินดียินร้ายนะทั้งยินดีทั้งยินร้ายนั่นแหละเพราะว่าตัววัตถุมันเป็นที่ตั้งของความยินดียินร้ายเพราะเราเห็นว่าในขณะที่เราอยากได้เนี่ยมันถ้าได้เราก็อยากเพิ่ม ถ้าไม่ได้เราก็ต้านทานไหวไหมถ้าว่าต้านทานไม่ไหวก็จะเกิดความเสียใจถ้าต้านทานไหวก็ต้องต่อสู้กันเพื่อเป็นเจ้าเข้าเจ้าของครอบครองสิ่งเหล่านั้นแล้วถามครอบครองจริงไม้มมันก็ครอบครองไม่จริงอะ่ะเพราะในที่หนึ่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราต้องทิ้งไปเราก็ต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปถึงนั้นไม่ทิ้งเราก็เราก็ทิ้งสิ่งเหล่านั้น พระตามองจากธรรมุเทศสโลกคือมูสัตอัญชรานำไปใกล้ไม่ยั่งยืนชีวิตเราบันเดินทางไปสู่ความแก่ความตายนะฮะตายเมื่อไรก็ไม่รู้ตายแน่โลกคือมูสัตไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนโลกคือมูสัตไม่มีอะไรเป็นของของตน จะต้องลาทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเพราะสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นของเราหรือเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยจริงๆแล้วถึงจุดหนึ่งเราก็มีเจ้าคุณาศาสนาโสพลเพื่อนชินทัทตโตวัดวัดวัดเทเสรินเราวัดคิดหนังสือท่านชื่ออะไรหรือไมแล่ว่าคิดนึกว่ า, อวาเออหลวงพ่อองค์นี้คิดคม คือท่านมีภาพของท่านเรียงกันไปเรื่อยๆเลยต่างว่ากุมารเอื้นอนเด็กเอื้อนเด็กชายเอื้อนนายเอื้อนแล้วก็สามนเณรเอื้อนแล้วก็พระเอื้อนพระมหาเอื้อนพระเอื้อนประเทียนเอื้อนประเรียนแล้วก็พระมหาเอื้อนแล้วก็ขึนเวราชาคณะเรื่อยไปจนถึงศาสนสโผพลแล้วท่านก็บอกเนี่ยศพเป็นแล้วก็จบลงที่ความเป็นศบตาย ก <G l> ็ชีวิตกับความตายเนี่ยมันก็เกาะติดกันดูอะปรากฏเมื่อร ไ, ไร่เราก็ไม่รู้มันละเห็นว่าชาวโลกทั้งๆที่รู้ความจริงอย่างเงี้ยสามข้อยอย่างเงี้ยแต่โลกกับพร่องน่ยใจมันมันก็สันอยากแต่บอกว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดเป็นรู้จักอิ่มเป็นาธาตุของตานาะทั้งๆที่โลกคือมูสัตว์เดินทางไปสู่ความตายโลกคือมูสัตว์ไม่ได้เป็นใหญ่เฉพาะตนกิว่าตุนแม่ตนเกงตนใหญ่เนี่ย แรเราสังเกตว่าคนนี้รู้สึกเป็นใหญ่เ น, นี่ยโอ้ต้องมีรอปพเพียบเลยก็แสดงว่าก็กลัวกลัวการความเป็นใหญ่ของตัวเองเนี่ยจะถูกทำลายแล้วก็ไม่มีอะไรเป็ น, นของตัวน่ะรู้แสนรู้นะจริงแต่ก็จริงเราก็หยุดพวกกิเลสเหล่านี้ไม่ได้มันเราจะไปโทษที่ความเห็นก็ได้ความคิดก็ได้นัทั้งสองอย่างแหละคือแต่เห็นผิด มันก็คิดผิดคิดผิดก็เห็นผิดดังนั้นออทรงสอนทั้งสองข้อคือทั้งสมาธิทิติทั้งสมาสังกัปปะและในขณะเดียวกันสมาธิใ น, นานาธในคำภีปปันเจสุทนีซึ่งก็เป็นอัตกถาอธิบายเรื่องนี้นะแล้วก็จะแน่กออกไปเป็นเป็นกรรมมัสกาสมาธิปัญญาเน้นชอบในกฎของกรรม วิปัสสนาสมาธิธิปัญญาเอินชอบในกฎของไตรลักษณ์แล้วก็มรรคสมา ธ, ธิิปัญญาเห็นชอบในเหตุที่ก่อให้เกิดผลด้านต่างๆและปัญญาภาลสมา ธ, ธิิคือปัญญาเห็นชอบในผลก็ว่าเรื่อยไปนะฮทีนี้เรื่องมันมันทําใจยากปัญญามันต้องแก่กล้าบางพอจึงมีปัจจเวทขณะสมาธิธิคิดอะ้มาคิดไปบ่อยคิดอยู่สมาเสมอคิดจน เข้าถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ปรงตกได้พอเจอกา ร, รพลัดพาคสูญเสียเข้ามาเนี่ยปรงตกได้โดยเห็นว่าการการรับสารของคนเป็นอันมากเนี่ยฐานจิตจะแตกต่างกันอย่างที่ก็ ย, ยกตัวอย่างนางกีสาพระกีสาโคตมีแต่ตอนนั้นท่านท่านเป็นนางอยู่นะ พอพอรับรู้ว่าโลกโลูกตายเนี่ยไม่ยอมนางประตาจาราพอรู้ว่าคนภายในครอบครัวตายไปไปทั้งหลายหกคนในคืนเดียวตั้งหลักไม่ได้ชอ็อกเลยแล้วเราเห็นว่าพื้นจิต ท, ท่านจะต่างกับพระนางมารีกาเทวีชายาของท่านพันธุลเสนาบดีพระนางมารีกาเทวีเนี่ยตอนนั้นท่านเป็นประสุนทรภัณฑ พระโสดาบันจะรู้สึกเฉยมากนิ่งมากสงบมากได้ข่าวคนไปในครอบครดดัวตายตั้งแต่สามสิบสามนะฮะท่านไม่ได้แสดงอะไรพี่รุธได้เห็นเลยว่าได้รับข่าวร้ายแต่จริงเป็นข่าวจริงนะฮะคือตายก็คือตายตายยังไงก็คือตายก็บค่นั้นเองาะนั้นเรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องความเห็นชอบกับความคิดชอบเนี่ย มันก็ต้องไปด้วยกันแต่ทีนี้ตามปกติแล้วเนี่ยตัวนี้ถ้ากำลังเขาไม่ดีพอมันจะถูกสอดแทรกโดยพวกอุปกิเลสทั้งหลายได้พวกมายาพวกเสสแส่งพวกโอ้วดพวกแข็งดีพวกริษยาพวกมุสาะอะไรต่างๆโอ้มันก็มาเยอะตอนขั้นต่อไปก็คือ แนวเมฆามะสังกปะนี้คิดในการที่จะดึงกาดึงจิตออกจากกามดอกจากวัตถุกามและตัวการนิยมกันคืออยู่ที่กิเลสนะฮะไอตัววัตถุมันมันจริงเราก็ไม่จําเป็นเราต้องออกมันก็อยู่อย่างที่อยู่นะเพียงแต่ว่าเราไม่ยินดียินร้ายมันก็จบแล้วที่มันยุ่งยุ่งเนี่ยไอตอนที่เราไปยินดียินร้ายกับมันแต่เราหยุดการยินดียินร้ายได้มันก็เป็นสักแต่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ธรรมารมณ์นั่นก เราก็ทำยังไงพวกเนี่ยเกินสารอกพยายามที่จะลดความเข้มข้นของกิเลส ข, ของตัณหาจะเรียกว่าตัณหาเรียกว่าราคะเรียกว่าโลภะเรียกว่ากามอะไรก็ตั้งกิเลสด้วยกันก็พยายามลดความรุนแรงทำยังไงจะลดได้ที่จริงมันมันกวรจะลดได้นะก็เราลองนึกดูดว่า ก็นึกถึงถงเทียบสามเณรกับเทียบถึงกับเด็กกันะฮะเด็กเขารุ่นราวเขาเด็กกันคนหนึ่งก็บวชสามเณรคนหนึ่งก็เป็นเด็กก็เรียนอยู่ข้างนอกคนหนึ่งบวชเนรก็เรียนภายในวัดก็ผ่านการฝึกปรืออบรมเราจะเห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงในเชิงลักษณะนิสัยของเด็กเหล่านั้นทางเนรจะจะสนน้อยลงอ่ะพูดง่ายว่าคือไอ้จะไม่โซนมันก็ไม่ได้ก็เด็ก แต่ว่าพอฝึกปรือก็จริงๆนี่ยจะทนทนสนน้อยลงเดี๋ยวแม้แต่เนภาคฤดูร้อนไนนะเดะอนภาคฤดูร้อนก็สิบกวาวันบางเดือนนึงบ้างอะไรต่อส่วนมากก็ไม่เกินเดือน น, นะนะแต่ฝึกไปฝึกมาตอนปลายๆเนี่เธอจะเรียบร้อยก้นนะแล้วก็เด็กเหล่านี้พอถึงจุดหนึ่งถ้าเรามาฝึกเธอเธอเป็นเป็นระบบก็ประมาณสักสักห้าวันสีคืน อย่างที่ฝึกที่วัดว่าภูกแก้วเนี่ยก็ห้าวันสี่คืน้คืนวันวันที่สี่วันที่สี่นี้เรียบร้อยถึงนีล้วันตีเขานิมนต์มาไปเนี่ยจะไปวันที่สี่คือรุ่งในเช้านี่จะปิดการอบรมแล้วก็ไปเจอเด็กเรียบร้อยตั้งใจฟังสนใจตั้งใจนั่งประเพียบเรียบร้อยขวัางพระต่อปัญหา สองชั่วโมงรวดไม่พักนะตามปกติแล้วก็จะมีการผักแต่มาไม่พักเพราะก็ถือว่าคือมันต้องฝึกเรื่องอื่นด้วยไม่ต้องไม่ใช่ฝึกเรื่องการฟังต้องฝึกเรื่องขันติเรื่องความเพียรเรื่องอธิษฐานเรื่องสัจจะเรื่องอะไรแต่อไรก็ฝึกไปได้วยเพราะจริงๆเราไม่ได้ใช้ธรรมะเพียงเพียงข้อเดียวคือการปฏิบัติทําความดีแต่ละคราวนี่แต่จริงกระบวนการของธรรมะ ก, ก็เกิดเยอะ การต่อไปก็คือก็ เ, เรียกว่าอัพญญาปานสังกัปปะคือดำริในเชิงที่ค่อดไปทางศีลคือแต่ว่ามันมั น, ม, นมันแก้ที่จิตคือแนวของกุศลกรรมบทอ่ะส่วนมโนสจริตหมายความว่าอาจจะกระทบกระทั่งอาจจะอะไรแต่ว่าไม่พยาบาทไม่คิดพยาบาทปองร้ายใคร นั่นก็คือใจที่อยู่ในเมตตาอย่างยังไม่มีเมตตาก็เฉยๆคือเราไม่พยาบามบัดเขาทำชั่วอะไรมาเขาดูมินดูถูกดูมินสประมาทอะไรเรามามันก็เป็นเรื่องของขับกําไ้ใครกาะคนนั้นรับกําไปเราก็ไม่ใส่ใจติดใจอะไรแล้วก็เอาวิหิงสาสังกปะซึ่งคิดยากมากๆคือคิดในทรานองไมร่เด็ดเดียนนี่ยจะคิดยาก คือเวลาเนี่ยเวลาเราอ่านหนังส yes ือพิมพ์รายวันเนี่ยคือไม่ค่อยได้อ่านอะเปิดดูอะไรที่เป็นข่าวข่าวพาดหัวแล้วบทความแล้วรู้สึกยังไงไม่รู้มันมันแสดงถึงจิตใจที่มีลักษณะฤิ์ยาแข่งดีแล้วก็ดูมิ่นคือมันแทนที่จะสะท้อนธรรมะเนี่ยเดี๋ยวเราเห็นว่าอันนี้มันใช้อารมณ์ม เธอตั้งตัวเป็นสารเสร็จเลยอ่ะแล้วฟังก็สัมภาษณ์นักการเมืองนักวิชาการก็สัมภาษณ์ดูเลยเธอเป็นสารนิกาแล้วอ่ะี่เธอพูดเนี่ยเป็นสารนิกาแล้วมันไม่ใช่กระบวนการเอาในขณะที่รัฐธรรมนูญบอกว่าคนจะไม่มีความผิดในคดีอาญาจนกว่าศาลจะตัดสินถึงที่สุดอ้าวรัฐธรรมนูญเป็นอย่างแต่ว่า วิธีคิดวิธีมองวิธีตัดตัดสินปรนาต่างๆอีกอย่างเนี่ยจะแสดงว่าภายในใจเรามีวิหงษาอาจจะเกิดทําให้เพราะเพราะวิหงษานี่ ค, ค, คิดวิสยาบ้างคิดแข่งดีบ้างคิดจะทําลายล้างบ้างเพื่ออะไรเพื่อตัวเองได้เองได้มีเองเป็นเองแล้วก็ความความคิดเนี่ยคล้ายๆกับอาศัยชาติบ้านเมืองนี่เป็นเกราะเฉยๆเป็นเกราะที่ระบายอารมณ์ระบายสัญชาตญาณของตัวเองเฉยๆ แต่จริงๆมันมันใจมันแฝงเร้นประมานคำพูดเราเนี้ยมันก็จริงก็คือก็คือว่าจิตทุจริตเกิดสื่อเราเนี้ยก็ถือว่าเป็นสื่อที่ที่เป็นทุจริตถ้าในงานแนวของนิเทศศาสตร์ก็ถือว่าไม่บรรลุเป้าหมายของการของงานนิเทศตอนนิเทศมันต้องมองสิ่งที่เป็นประโยชน์ซึ่งมีลักษณะเกื้อกูลและอำนวยความสุขให้แก่ผู้ซึ่งเราพูดด้วยหรือพูดถึงแต่การไม่เป็นอย่างนั้น